ที่มนไหวที่มันเลือนอ่นะที่คยิดงขึ้ น, น, นอ่ะนะะฮะฮะาเตล่าองในในในในน้งกงค์ตรการนะสมัย พ, ร, พรองค์ตระอุนทุนตระชนเป็นท้ะอยากจะปฏิบัติมันถูกต้องนะแต่รู้ว่าอะไรมันผิดมันถูกแน่นอนนะ <c oughs> แล้วออกไปอยู่องค์เดียวว่าอยู่หลายองค์รุ่นวะ ที่อย <southeast> ูทัง <lakes> ว <bizarre> ันที่ทัางทําทํ้งสมาธิอย่างเช่นสมาธิมาสงบ้างไม่สงบบ้างสงบบ้างไม่ไปสงบบ้างเอาเนี่นอนไม่ะด้ากทีกกติดยาบางทีก็ขยันกินเกิดสงสัยไี่จะากทำอะไรก็คิดหาทางปฏิบัติก็พอได้ยิน เป่นว่าจะยินดีจิตตาพอ า, า, าจารย์้นะขณอาจารย์ที่ปฏิบัติวิปกันมันมากในสมัยนั้นก็ได้ยินจิต า, ามาเช่นวากพระก็เป็นอาจารย์สอนปฏิบัติน่นี้คนก็ไปฟังทำมามาิตตภาพคทั้งสปฏิบัติดีเข้ามาหนังที่จะนั่งโอ้หนหเฮ็ดจะถูกไห ไ ป, ไปฟังท่านเทศไปปฏิบัติกับท่านแล้วก็ฟังท่านเทศแล้วก็เอามาปฏิบัติอยู่องเดียวบางสิ่งก็เหมือนกับตัวเราคิดมาบางอย่างก็ไม่เหมือนกัน แต่ความสงสัยก็เกิดขึ้นเรื่อยๆไม่หยุดอยู่ไปอีกก็มีอาจารย์ขอมีสวรมทานปฏิบัติดีด้วยเองด้วยนึกสงสัยก็ไปอีกไปฟังใจความในความธรรมก็มาปฏิบัติอยากองนี้กับองนั้นก็ไม่เง น, นั้นกัน แก่องค์นั้นกับองค์นั้นก็ไม่เหมือนกันความคิดของเรานี่ก็ไม่เหมือนกันอีกแปลกไปได้อีกแต่ความสงสัยก็ยิ่งมากขึ้นอยู่ไปอีกก็เลยยินดีถ้าคออาจารย์ขอเก่งมันตันฟังเขารำดูมาอดไม่หน่อ ย, อยากจะไปอีกไปปฏิบัติจะท่านสันเทศยังไงปฏิบัติยังไงก็ไปไปก็ไปฟังธรรมท่าน เมือนกันบางไม่เหมือนกันบ้างเอามาคิดองนั้นทา ไ, นน ไ, ไมท า, ยสสยมายอย่างนั้นองนี้ทาไมทำอย่างนี้รวมความเห็นของอาจารย์ใส่กันในการรวมของเราไปคนนี้เลนั่นในส่งธรมะที่จิงกันองนั้นสิ่งใดงที่สิงเราอย่ายิ่งความผูกสรายิ่งเกิดขึ้นใดธรรมะที่จริกันไปหมดกำลังแล้วไม่สบายสงสัยม่หายยิ่งสวี วันหลังมาไล้ยินว่าภาษาสแตดาถ้าโคโดมเกิดกันในโลกยิ่งหนักหง่เลยที่นี้โคไปไหนไปอีกจะตราบานไปฟังธรรมว่าจะเกิดท้ำไมแต่ว่า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 องค์อื่นก็อธิบายเรื่องความสงสัยเท่านั้นเนี่ยแล้วก็จากมาปฏิบัติให้มันรูเ้เองเห็นเองรูง้จกักท่านบอกว่าอยู่ในกายของเราเนี่ยลูกเทศนาสัญญาสังสารนิยาณอันนี้เป็นอาจารย์ของเราให้ความเห็นของเราอยู่แล้วแต่เราขาดการภาวนาขาดการพิจ า, ารณาท่านบอกว่าท่านจาับแะครับความสงสัยของท่านนั่นนะ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 อะไรนี่ก็เรื่องของบางที่อย่างมันกานอนาคตของไม่แน่นอนเหมือนกันรู้เรื่องปล่อยมันก็มีของไม่แน่นอนดูปัจจุบันเดี๋ยวนี้อดูปัจจุบันธรรมเดี๋ยวนี้ท่านจะไปดูอื่นกลทา่านจะคิดว่าอาจารย์นั่นจะแก้สงสยัยเราอาการอาจารย์นั่นจะทําความสงสัยให้เราหายไปอพระพุทธองค์ไม่สอนว่าให้คนเอามันเชื่อคนอื่นนั่นอ่ะ พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญบุคคลยังดีใจเสี ย, ยใจกับคำคนอื่นพูดกระทำอยู่องค์นั้นพระพุทธเจ้ายังไม่สรรเอสริญเพราะของของคนอื่นเขรู้อะไรกับตรงวางถึงเมมันจะถูกมันก็ถูกคนอื่นเขา ถ้าเราไม่เอามาทําให้มันถูกที่ใจเราในความถูกนั่นความนี้มาถูกเราถูกอยู่โน้นอาจารย์นั้นผิดอยู่โน้นถูกอยู่โน้นไม่มาถูกเราถูกกวจริงที่วมาถูกดูคนอื่นไม่ถูกเราหลายควั้ว่าถ้าไม่ปฏิบัติให้จิต่มันรู้มันเห็นตามความจริงจริงแล้วนั่นนะอืมพระพุทธเจ้าสั่งให้เสนเสริญผมไปเทศไปบ่อยโอปราญิโกน้อมธรรมาให้มันรู้ให้มันเห็นนี่มันเป็น อยากให้ว่าถูกแล้วก็เชื่อไม่ถูกแล้วก็เชื่ออย่าทำอย่างนั้นถูกไม่ถูกเรื่องคนอื่นพอพูดเอาเรื่องนั้นมาปฏิบัติให้มันเกิดกิจเกี่ยวในปัจจุบันนี้ให้มันมีพยานในตัวของตัวนี้ผมเไปพูดให้ท่านฟังเสมอว่าอไอ้ผลไมา้นี่มันเปรี้ยวอย่างนี้ผมบอกว่า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 แต่แก็อฟฟิพิเจนาเอ่อเอาเราผลเอไว้เรามามาฉันดูสะเมื่อความเปรี้ยวมันปรากฏขึ้นมานะั่นนี่ที่เราเป็นพยานในตัวเราเนี่ยท่านก็ว่ามันเปรี้ยวเรามาฉันดูมันก็เปรี้ยวอีกสองอย่างแล้วเชื่อแล้วทีนี่เพราะเราเป็นพยานท่านผู้วิจารย์มั่นกันเนี้ยเป็นชี้ขีปุโตอันนี้เป็นพยานในตัวของตัวแล้ว ไอสิ่งที่เรารู้จักคนอื่นไม่มีใครเป็นพยานเอาคนอื่นเป็นพยานเท่านั้นเนะี่ยอันนี้เด็กห้าสิเปอร์เซนถ้าเรามีพยานในตัวเราอีกท่านบางเนเปรียรร้ยวเรารู้แต่เพียงห้าสิบเปอร์เซ็นอย่าเอาร้อยเปอร์ซ็นตไปใส่มันเลยถ้าเราคนไม่เนี่ยมาฉนะันดูมันเปรี้ยวอีกทำไรอยเปอร์เซ็นตเลยเพราะคนที่บอ ก, กว่ามันเปรี้ยวเรามาฉันก่อมันกับเปรี้ยวอย่างนี้เป็นร้อยเปอร์เซ็นเลย นี่เป็นสิทีิ์ู้ตัได้ขยับตัวเกิดขึ้นมาแล้วออย่างนี้แค่นั้นเ อ, องว่าโอปารายโกน้อมข้ามาให้มันเห็นปัจจิตังเห็นอยู่ของคนอื่นไม่ใช่เห็นปัจจิตังเห็นนอกปัจจิตังไม่เห็นเฉพาะจิตของเจ้าของเฉพาะตัวของเราเห็นจากผู้อื่นแต่ก็ไม่ควรประมาทกันๆเนี่ยเป็นที่ศึกษาเราเหมือนกันเป็นพ่อศึกษาเราเหมือนกันแคลไลก็เราเห็นในหนังสือ อ่านหนังสีอพบเราก็เชื่อแต่จิตเรายังไม่เป็นนี่มันก็ยังไม่เกิดประโยชน์เต็มที่มั น, นมันเพียงเพียงห้าสิบเปอร์เ็นตท่านั้นมาปฏิบัติภายในจิตของเจ้ของให้จิตมันเป็นอย่างนั้นรู้อย่างนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นแล้วไม่สงสัยแล้วถ้าเรารู้ในตัวของเรามันหายสงสัยมันหมดเลยไมไ่เกี่ยวข้องอะไรอยูนะ่เลิกไปอย่างนี้เอปัจจุบันปัจจุบันธรรมเดี๋ยวนี้ มันจะเป็นในระมันเดียวนี้แก่มันเดียวนี้ปัจจุบันเดียวนี้ปัจจุบันธรรมเพราะว่าปัจจุบันธรรมนี่ปัจจุบันนี่อ่ามันเป็นทางเหตุทั้งผลอืมปัจจุบันนี้ตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้มันตั้งอยู่ในเหตุผลอย่างเราอยู่นี่หละ อ, อดีตเป็นเหตุปัจจุบันนี่เป็นผลเดียวนี้ ทุกอย่างทุกอย่างแล้วที่ได้ผ่านมานี่มันมาจากเหตุอย่างนั้นแหละอย่างท่านมาจากกติกของท่านนี่เป็นเหตุที่มานั่งอยู่มันเป็นผลมันเป็นอย่างนี้นี่คือผลมันมันมีเหตุผลอย่างนี้เรื่อยๆไปอืมอดีตเป็นเหตุปัจจุบันเป็นผลปัจจุบันเป็นเหตุอนาคตเป็นผลอที่เราอยู่เดี๋ยวนี้มันก็เป็นเหตุอดีตต่เหตุ อยู่ในยุคบันนี้มันก็ออ้ออันนี้มันเป็นผลนี่อดีตที่มันผ่านมาแล้วมา่อตกนี้มันเป็นผลผลเดี่ยวนี้มันกลับเป็นเหตุอนาคตอีกฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นว่าทิ้งอดีตแล้วก็ทิ่งอนาคตคําที่พูดว่าทิ้งเนี่ยมันไม่ทิ้งนะมันมาอยู่จุดเดียวนี้อืมันมาจุดเดียวนี้อดีตอนาคตมันอยู่ปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้มันเป็นผลของอดีตแล้วก็มันเป็นเหตุของอนาคตต่อไป นั้นทิ้งเหตุได้ผลมันเสียเอาปัจจุบันนี้เมื่อทิ้งมันก็เป็นเหตุผลของมันอยู่แล้วแต่คําพูดเดียวว่าทิ้งมันสะเกียบ ว, ว่าภาษาพูดตอนนั้นแต่ความเป็นจริงนั่นประเดี๋ยวจุดนี้มันจุดครึง่งมันตั้งอยู่ในเหตุผลอยู่แล้วท่าหนหลายดูปัจจุบันรจยนต์เห็นความเกิดดอกเห็นความเกิดดอกเห็นความเกิดดอกดูเสมอเรื่อยๆมาอืมผมเคยพูดบ่อยๆว่าแต่คนไม่ค่อยใส่ใจ มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ผมก็เรียกว่าเอออันนี้มันไม่เที่ยงอ<ม>แต่ทํานี้คนไม่กอดิตไม่กอดิดติดตามอะไรเกิดขึ้นมาเขาว่ามันมีเที่ยงหรือว่ามันไม่แน่หรือว่ามันไม่เที่ยงอย่างนี้มันง่ายที่สุดเลย<ม>ถ้าเราไปนังตอนนั้านาอะไรเกิดมาไม่แน่เที่ยงไม่รู้เรื่องก็วนวาย ไอ้ที่มันไม่เที่ยงนะมันจะเห็นของเที่ยงไอ้ที่มันไม่แน่นะมันจะเห็นของแน่อย่างนี้พูดใอ้คนเข้าใจก็เลยไม่เข้าใจกันก็เลยวิ่งทางโนดวิ่งทรงนี้อยู่ตลอดเวลาอืในความเป็นจริงถ้าอากะมันจะถึงความสงบมันจะมาถึงจุดติปผมว่านี่ติปปัจจุบันนี้อะไรเกิดขึ้นมาสุขทุกอะไรเกิดขึ้นมาก็เหล่านันไม่แน่มันม่แน่ไอ้ตัวที่ไม่แน่เน่ยคือตัวพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ย ตัวที่ว่ามันไม่แน่เนะี่ยมันคือตัวธรรมะตัวธรรมะก็คือตัวพระพุทธเจ้าแทนพระพุทธเจ้าแค่คนไม่รู้จั ก, จกเห็นธรรมะอยู่โ น, นู้นเห็นพระพุทธเจ้าอยู่นี้ถ้าจิตใจของเรามันเห็นทุกสิงทุกอย่างว่ามันเป็นของไม่แน่ปัญหาจะจะไปยึดมัน่นหมายมั่นมากกว่อยหมดไหมดไปเลยอืไปยึดมั่นถือมัน่นมันอ่ม มันจะแน่โดยวิธีอย่างไรมันจะแน่คือมันจะเป็นทุกมันอยู่อย่างเนี้ย้าเรารู้เรื่องอย่างนี้ใจเราก็ปล่อยมันก็วางเลยก็ไปยึดมั่นถือมันมันจมโอภาทานนั่นกับปัญหานี้ก็หมดไปอี่มันหมดไปหมดไปเมื่อเข้าถึงธรรมะเท่านั้นแหละอะไรมันยิ่งไปกว่านั้นไม่มีไม่มีอย่างงั้นธรรมะก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็คือธรรมะที่ผมสอนว่าอันนี้มันไม่แน่หรือมันไม่เที่ยงอันนั่นก็คือธรรมะ ธรรมะน่ก็คือพระพุทธเจ้านะ น, นีันไม่ใช่อื่นไปที่รัวพนาพุโทโธพุโธพุโทโธอย่างนี้ก็เห็นมันเป็นอย่างนี้ที่ว่าพุโธเรจะเห็นอันแค่เห็นอันดีจังทุกครั้งอันาตานี่เห็นมันไม่ได้ยังไม่แน่ถ้าเราเห็นชาตเดียนอย่างนี้เราอิจใจกอเห็นความสุขเห็นความทุกข์นีนนน่ไปนั้นดีเราม่น่ยืนอีูดีก็ไม่แน่เหมือนนั้นเออี่ย เห็นม่มไม่แน่ทั้งนั้นอยู่ที่ไหนะะสะดสบายมืงเวลาเราอยากอยู่นี่นะคุณผู้อยู่นี่อยากจะไปที่ตะไค้ความสงสัยเรามันจะหมดไปอย่างนี้เหมดไปโดยวิธีที่เราปฏิบัติที่วันไอยู่ปัจจุบันนี้แล้วนะอย่าไปห่วงอดีตอย่าไปห่วงอนาคตเพราะว่าอาดีตท่านเร็ยนมันผ่านมาแล้วเกิดก็เกิ ด, กเกดในอดีตสึกก็รับไปในอดีตแล้วมันหมดแล้ว อนาคตจะในปล่อยอนาคตเกิดในอนาคตอนาคตอะไรเกิดอนาคตมันจะหลับในอนาคตไม่ควรห่วงใยมันแล้วดูปัจจุบันธรรมนี่ว่ามันไม่ได้มันไม่เที่ยงคุณโทรมันก็รู้ขึ้นมาเจริญขึ้นมารู้ความเป็นจริงในสิ่งทั้งหลายเรานี่ว่ามันไม่เที่ยงเลยก็เห็นอยู่ตรงนี้ที่นี่ไออาการของสมาธิมันก็เจริญขึ้นมาได้ มันควเจริญขึ้นมาหนะสมาธินั่นเนะี่ยหรือความตั้งใจมัน่นหรือความสงบนั้นะ ม, มีสองอย่างอืมไอ้ความสงบที่ท่านไปอยู่ในป่าน่ะสงบหูไม่ได้ยินตาไม่ได้เห็นนั่นบางครั้งนะ่ะอืมไม่ใช่ว่าสงบจากกิเดสดที่เด็มันมีอยูอ่แต่ในเวลานั้นมั น, มนไม่ขุ่นขึ้นมาอย่างนั้นมันมันตกตะกอนอยู่น่นเนะี่ย มันยังได้ขุนขึ้นมามันก็ใสเมื่อถูกอะไรมันกวนเน่ยมันก็ขุนขึ้นมาท่านควรบันกัตเมื่อมันมีเสียงได้ยินเสียงไดรดูรูปอะไรสัมผัสทางใจเกิดขึ้นมาที่ไม่ชอบใจมันก็ขุนขึ้นมาถ้าไปไม่มีมันก็สบายสบายเพราะมีกิเลสเช่นตัณห์เทพอนิมันอืมถ้าท่านอยากได้เทพวันนี้ท่านก็ไปทุกข์ พอดีก็เสถียหาเทปนี่มาท่านก็เลยเทปนี่มาแล้วท่านก็สบายไหมสบายสบายที่เอาเทปมานี่สบายเพื่อไม่สบายนะ น, นี่นะเพื่อย่อมเป็นสบายไม่รู้จักแต่คุณได้ได้เทปก็สบายแล้วยังไม่ได้เทปมาเป็นทุกข์นี่ก็ยังไม่ได้ก็หาเทปมาสบายนนเมื่อเมื่อขโมยมาเอาไปอีก เอเทปอีก็ะโบยอีกเทปอีกในความสบายก็หายไปอีกแล้วเป็นทุกข์ขึ้นอีกแล้วมันขบกันอยู่อย่างนี้ไม่ได้เทปก็เป็นทุกข์ได้เทปมาแล้วก็สบายได้เทปมาแล้วก็เข้าหายไปอีกกับทุกข์มันเปลียนอยู่อย่างนี้ตอดเวลานี่เรียกว่าสมาธิอยู่ในที่สงบเป็นจริงนะได้เทปมาแล้วมันสบายสบายเพราะในราะได้เทปมาตามใจของเรานี่สบายแค่นี้ สบายเพราะกิเลสที่มันครอบงาเราอยู่ไม่รู้เรื่องน น, นานๆไปขโมยเอาเทปเไปกระทุกขึ้นมาอีกนี่แค่นั้นสงบอันนี้สงบเรื่องสมาธิตัวกล่าวสมาทานเร า, าต้องมาพิจารณาเรื่องอันนี้อีกต่อไปอ่าเรื่องต่อไปนี่ได้เทปมาแล้วไอ้ของที่เราได้มานี่แหละมันจะเสียอืมันจะหาย มันจะเสียหายไปเพราะเรามีเทปถ้าเราไม่มีเทปก็เราไม่มีอะไรจะหายเหมือนกันก็เกิดมานั่นแหละถ้าเกิดมานั่นแหละมันมีตายถ้าไม่เกิดมันก็ม่ตายไอ้คนที่ตายนี้มีใช่คนผู้เกิดมาถึงนั้นมันตายไอ้คนที่ไม่เกิดต้อมาเคยเห็นมันตายอย่างนี้อถ้าเราคิดได้เช่นนี้ถ้าเราได้เทปมาเช่นนี้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 ถ้าเราเห็นเจนนี่เราก็อาใจเทปอันนี้อยู่ได้ใช่ได้อย่างนี้อันนี้เหมือนท่านน่ะอยากจะค้าขายทางโลกเขาอยากเกะไรเงินธนาคารมามนานุนท่า น, นก็เป็นทุกข์นี่เป็นทุกข์เป็นทุกข์อยากจะได้ เ, เงินเข้ามาอทําพิธีหาเงินหาทองเขามันยากลาบากแต่ก็เป็นทุกข์เพราะไปได้มาอีกวันหนึ่งเรไปกู้เงินธนาคารเขาได้มาแต่ก็ดีใจดีใจไม่กี่ชั่วโมงแล้ว แต่ว่าดอกเบีย้ยมันกินท่านอีกแล้ว <c oughs> คนนั่งอยู่ดอกเบีย้ยเขาเอาไปกินแหนเป็นทุกข์อีกแล้วแน่ทำไม่อมไม่ได้เงินมาก็เป็นทุกข์ได้เงินมาแล้วก็นึกว่าสบายแล้วอยู่ไปอีกเป็นต้นดอกเบี้ยเขาเอามาอีกแล้วดอกเบี้ยอีกเป็นทุกข์อีกแล้ ว, ลวมันเป็นอยู่อย่างนี้อันนี้พระพุทธเจ้าจะเตือนสอนว่าให้ดูในปัจจุบันเนี่ยเห็นอันนี้จังของกายของจิตของธรรมาอันนี่มันเกิดแด้หนักหน่วงแค่นีน้อนเอ ปิดมันอย่าไปยึดมันถือมันมันอย่างนี้ถ้าเราเห็นเจนนี้ความสงบเกิดขึ้นมาความสงบคือการปล่อยวางมันเกิดขึ้นมาเพราะปัญญามันเกิดปัญญามันเกิดเพราะอะไรเพราะพิจารณาเรื่องอานิจังกูขังหลักานั่นเป็นสัจธรรมเห็นความจริงประจักษ์อย่างนั้นในใจอย่างนี้เราก็เห็นชัดในใจของเราอยู่อย่างนี้เสมอแล้วอารมณ์เกิดขึ้นมาแหละเห็นมันดับไปดับแล้วมันเกิดขึ้นมาเกิดได้เกิดับไป ถ้าเรามาีความไปยึดมั่นถือมันมันทุกข์ก็เกิดขึ้นเดียวนะถ้่เราปล่อยวางมันไปเป็นต้นทุกข์มันก็ไม่เกิดเราเห็นในใจของเราอยู่อย่างนั้นนั่นก็เป็นสิกิปูโตอย่างนั้นอ่ะอย่างฉะนั้นเราไปเชื่อคนอื่นเพียงห้าสิบเปอเซ็นต์ในคราวหนึ่งภาษาดิวัตททันฟังธรรมพระพุทธเจ้าของเราเทศยวแย่พระพุทธองค์ท่านถามอาสาดีบุตรเชื่อไหมยังไม่เชื่อพระเจ้าค่ะนี่ยังไม่เชื่อพระเจาา้าค่ะ พระพุทธองค์ท่านปลอบใจเลยว่าดีแล้วสาธุบุตรอย่าเพิ่งเชื่อง่ายๆเลยนักปรานต้องไปพิจารณาเส้นก่อนถึงจะเชื่อต้องสาธุบุตรก็อาไปพิจารณาเส้นก่อนถึงแม้ฟังธรรมในพระพุทธเจ้าองค์ท่านก็ไปเชื่อไว้ทุกข์ครับแต่ท่านไม่ประมาทเอาไปพิจารณาในอาการที่ทันเทศมีเหตุผลเกิดขึ้นกับใจใจของท่านเป็นธรรมธรรมนั่นอยู่ในใจของท่านมันเป็นอยู่อย่างนั้น พระพุทธองคให้เชื่อตรงนั้นเชื่อเพราะคนอื่นก็เห็นด้วยเราก็เห็นด้วยว่ามันเป็นอย่าง น, างนั้นแน่นอนอย่างนี้คนเตโนนี่ก็ดูเท่านั้นเนี่ยไมต้องดูกายดู้ปัจจุบันคือดูจิตเจ้าของเท่านั้นอืไปวางอดีตือวางอนาคตอืมได้ดูดูไปในปัจจุบันเนี่ยปัญญามันก็เกิดจะตรงอนิตจังทูกขังอนาตานี่แหละจะทําไง เราเดินไปก็ไม่เที่ยงนั่งก็ไม่เที่ยงนอ น, นก็ไม่เที่ยงอะไรมันก็เป็นเพรมันอยู่อย่างนั้นเนีอยมันจะเที่ยงก็เที่ยงเพราะว่ามันเป็นอยู่อย่างนี้ไม่แปลไปเป็นอย่างอื่นนะเพื่อพอเห็นจบลงตรงนี้มันก็สบายนะนะจะไปอยู่ยอดเขาผมนึ้ว่ามันจะสงบเหรอืมันก็สงบยอดเขาแต่และไรอมื่อนิ้วข้าวว่าก็วอะไรอย่างเงี้ยบขาดวิจารณ์แล้วนะ คนชาวเขานี่ยมาดูจากมุจตะมืนเนี่ยลงมามายวัดประกองยืนในกรุงเทพฯแม่อาหารมันมากไปเว้ยวุ่นมันน้ำมาร์กอืไปอยู่ไกลๆดีกว่าไอ้ความเป็นจริงคนไปอยู่คนเดียวมันก็เป็นทุกข์มันสงูอยู่หลายคนเป็นทุกข์มันสงูทั้งนั้นเนี่อืมมันก็ขี้ไก่ขี้ไก่ถือไปคนเดียวกว่ามิ้นเราไปหลายหายคนกว่เมิ้นมันถือไปด้วยของมันเน่าอย่างนี้ อันนี้เรายังคิดผิดอยู่ตาว่าเรามีปัญญานะอยู่มากคนประเดน ว, ว่ามันไม่มีความสงบอย่างนี้คิดอย่างนี้ก็ถูกมากแต่ว่าเรามีปัญญามากนะคงเนี่ยมันเกิดปัญญาเพราะมีรูปจิตมากๆนี่พ่มากคนน้อยโยมมามากคนมามากรูปจิตมากต่างคนต่างคิดต่างไปส่วนประการมากดวงสมัมกกลบกลวนปับกล้าขึ้น อืถ้าที่เราอดทนได้เราพิจารณาไปดิมันนี่ประโยชน์เท่านั้นแหละถ้าเราไม่รู้เรื่องสิ่งเหล่านี้ก็จะอยู่คนเดียวดีอยู่ในน้อยก็บเบืออยู่หลายคนดีอาหารอาหารในน้อยดีอาหารมากมา ก, มากดีอาหารในน้อยดีอาหารมากมากมดีก็เป็นแบบอย่างนั้นแหละก็เราตัดสินใจเราอย่างนดิเราเห็นว่ามันไม่แน่นอน มากบางคนไม่ีน้อยบางนนไี่มี๋ยวไปยึนมั่นหรือมันหมายพอรู้ปัจจุบันนี้ร่างกายเ้าต่มสบายแ้วาให้สอนมาให้อยู่ที่ไหใช้เป็สบายอาหารสบายปัญญนิดสบายที่อยู่สบายการที่สบายเป็นปัหาใหญ่ท่านบอกว่ามันสบายสบายไปดูที่ไบนในจังหวัดน่สบายไง ผู้ประทญ์ที่สบายคน น, น, น, ย น, น, น, นู้นก็ให้น้าร้อนน้าเย็นน้ำตาลทั้งหมดตัววันสูตรดีๆวันๆเดี๋ยวผู้ปราชญ์เราคนจะชอบกันอย่างี้ผู้ปราที่ดีแล้วรสบายเดี๋ยวก็ตายตอนนั้นเลยนี่อย่างนี้หลายอย่างมันเรื่องสบายของคนนี่ถ้าเรามีจิตใจใรู้จักความพอดีของเราไปอยู่ที่นี่มัสบายไม่จะอยู่ก็อยู่ไปไม่จะไปก็ไปตัวครับที่นั่ อย่างนี้ถ้าเราน้อยมันก็ออยากมากคนก็ลำบาอะไรต่างๆมันไม่สบายไม่สบายตัวเรื่องนั้เขาเป็นอย่างนั้นเราไม่ดูเรื่องมันก่อสบายดูเรื่องมันก่อสบายดูเรื่องนั้นมันก็ไม่สบา ย, บายถ้าเราพัดยานจะไปหาจีตไหนท่านพูดมันถูกแล้วแต่จิตเราทํายังไม่ถูกแต่ไปหาอย่างอย่างท่านไปคนงนั้นทำสมาที่เองมันมาก ทำจากกว่านี้ไปเลยครับสมาธิอย่างเดียวทำจริงจริงจังๆหรือมันไม่จริงไม่จังต่อไปถ้ามันจริงมันจังมันก็สงบสิจริงจังทําไมไม่สงบถ้ามันจริงมันจังมันต้องสงบนี่มันเป็นอยู่ขนาดมันไม่จริงไม่จังนั่นแหละมันถึงไม่สงบนั่นแหละให้เรื่องสมาธินั่นก่อ อะไรก็ชั้นมันเถอะมันเป็นบทบาทการศีล ส, สมาธิปัญญามันเป็นหลักฐานตายตัวอยู่แล้วอืมตายตัวอยู่แล้ว ม, มันเป็นเครื่องมือของกรรมฐานเท่านั้นแหละและ้วจะใครจะภาวนาค้นกว่าหามีปัญญามากก็เห็นง่ายปัญญาน้อยกว่าไม่เห็นไม่มีปัญญาเลยก็ไม่เห็นเลยปฏิบัติอย่างเดียวกันมันก็มีเหมือนกันเพราะปัญญา แต่ไปดูครูบาอาจารย์นั่นก็ให้ระพีนาแยกพายออกไปอาจารย์นั่นทำยังไงอาจารย์นี่ทำยังนี้รู้นะเรื่องนอกๆกันเนี่ยดูกิริยาดูอาการประพืชปฏิบัติมันอยู่ข้างนอกถ้าอย่างนี้ก็ความสงสัยมันก็เลือดไปเอ๊ะทำไมอาจารย์ท่านทำอย่างนั้นเอ๊ะทำไมอาจารย์ท่านทำอย่างนั้นเอ๊ะทำไมอาจารย์ท่านทำนั้นเนี่ยเอ๊ะทำนั่อาจารย์เทศหลาย อ า, าอาจารย์เสร็จแ อ, อทณาอาจารย์ทำปะเทศเลยเป็นว่าเยเป็นบ้าเลนเ ร, า, เน า, า, เร า, เาก็เาเดียะเราอที่ตัวมันาอยู่ตามนั้นนะ่ะมันเป็นปฏิปทาของเราอย่างนี้แล้วดูเป็นตัวอย่างเท่านั้นแหละเร า, เาพิจารณาอีกทัา น, นหนึ่งอีกเพราะฉนั้นความสงสัยของเราไม่จะหมดไปนะมันงถ้าเทละองนั้นแต่เราไปพิจารณาแต่เาดีไปถมามเหมือนกันนะคนไปถามหมัน ไปโฉงกิดไปมันนะแต่มาดูว่าได้มาเกิดเป็นยังไงเดินอยู่แต่มาดูอยู่อย่างนี้ดูกิตอย่ น, นี้นั่นจะมีอาการกิดอะไรเขช่างมันตาเจียบอกเออ น, นี่มันไม่แนะ่อันนี้มันไม่เที่ยงสอนมาอยู่อย่างนั้นเลยเรียกว่าเหตุทำมาตัวของเราเป็นตัวกิดเราเนี่ยหลังไตรลักตัววัฏจักมันวงรอบมันจะไปวิ่งตาม ม, าามันได้ไหม มันเร็วเขาเราจะวิ่งตามมันไดไหมันวิ่งเลยดเรายืนอยู่ทีเดียวนี่แหละวงจรนี่มันจะรอบเองมันกมีตุ๊กตาตัวหนึงตั้งอยู่เนี่ยถ้ามันวิ่งเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วที่สุดเราจะวิ่งตามมันทันไหมไม่วิ่งแล้ววิ่งใตรงนี้ไอ้ตุ๊กตานี่มันวิ่งเรายอยู่ในตรงกลางเล้๋ยวจะเห็นตุ๊กตาทุกครั้งทุกรังไม่ต้องวิ่งตามมันเราวิ่งกระทบมันเท่าไรมันยิ่งไปทันมันเท่านั้นแหละถึงผมชั้นเฉลิญถึงผมสังสูงมากได้ว่าตาคนีปัญญาแล้วเคยมีอะไรต้อกหนึ่งพิม ท่านเจ้าประธานหรือท่านไหนไปทุรงทุรุงไปจัดการไปนี่สรริดเพื่อูอยู่กระที่มาันทุรงสี่สามข้อนะเนี่ะปฏิบัติมันเท่มั่วสีตัวนี้ไม่ต้องสะพายกดสะพายบาดมันเหนื่อยแล้วมีปฏิสิทธิของท่านเหมือนกันนะอืมแต่มันไม่พอใจไอ้ที่เราอยากจะไปนีถ้ามันเห็นชัดจริงๆนะมันก็พูดคําเดียวแค่นั้นมันก็ดีอย่างผมเล่าให้ฟังไอ้เนโดนเนี่ยที่ไปอยู่วัดท่านมันไม่เคยไปอยู่เลย มันจะอยู่หกวันเจ็ดมันไปอยูย่คนเดียวใดต่างปร้าคนเดียวเด็กๆถึงกันเขเป็นหัวมันไปนถามมันก็ไปดูไปเทศบาลบ้านนึงก็มาฉาดอย่างนี้ยมีทิศเออขุ่มคนที่นั้นลอกข้างอยูมันก็นอนอยู่นั่นองเดียวตลอดคือ น, นี่มันต่างผมก็เลยเป็นห่วงมานเนี่ยเจ็ดวันกับคนไปถามีด่ดูถ้าทางทีอยู่เทศบานไปถามเองไม่กลัวหรือก็ว่าไม่กลัว ทำไมไมันถึงมีกลัวนี่ว่ามันเสบุอมีเน่านั่นแหละมันก็เซ้ามันมโนเนยอยากพิคิอยานอื่นเลยหายไปหายไปเรื่องลงมาลองทำแบบนี้ดูสิเพราะว่าการยืนการเดินการไปการมากําทันกิธุละเล็กเล็กในน้อยเนี่ยถ้าเรามีสติแล้วมไม่เสื่อมแล้วมไม่เสื่อม อาหารมากมาก็ไปทุกว่มามันนหมักล้วบากกเอาชิน้นเดียวเท่านี้ก็พอให้ครับจะลำบากมัมยุ่มันยุ่งมั เ, เอาชิ้นเดียวยเท่านี้เนาจะได้ก็ยากวุ่นนะนี่ไปเอาตากานี้ใส่ตาจจนไม่อร่อยเท่านั้น น, ะ น, ะนี่นกรืองอหารมากมันวุ่นเอาลายทาไมนะ่ะเราไปวุ่นกับมันไงเอาแคกชิน้นเี่ก็พอแล้วตอนนี้ก็พอนะ กินปห้าอยมันมันบวมหมันจะวุ่นอะไรอาหารหนิบ้าเด็กจวุ่นะคนมากๆมันวุ่นมันวุ่นอะไรที่วุ่นเราอยู่กันอยู่เดี๋ยวเนี้จะไปทําอะไรมากำไมใกล้วิศวะดมาดฉันเนี่ยกิจธุระนี้นี่ก็ทำระเบียบสติอยู่แล้ทําเนี่ยแล้วไม่ขาดเวลาไอทําวัดมันจะเสื่อมเลยครับทําไอทําวัดนี่มันเสื่อมมันก็ไม่ปฏิบัติไม่ได้เล เราไปกราบไปไหว้สร้างความดีทั้งนั้นเนี่ยอืมันไม่เสื่อมอะไรเดี๋ยว่ามันยุ่งไปทำบัตรอะมันยุ่งมันไม่ยุ่งหรอกเรามันไม่ยุ่งถ้าเราคิดไม่มันยุ่งมันก็ยุ่งไม่ไปมันก็ยุ่งเราต้องคิดอย่างนี้ให้มันดีๆทุกๆคนก็ชอบจะเป็นแใหม่ๆก็ชอบเป็นแบบนั้นไอความจริงเราไปยุ่งกับมันเราไอยู่กับพวกไปอยู่ทีื่อให้ทําครับ ผิดมังถูกมังมันก็บู้วันแนี้นางไปใครใมีประโยชน์ก็ไปถ้าก็ีประโยชนเดียวแค่นี้ใครทักโวยติความดีมันยิ่งมีประโยชน์อะรยิ่งถ้ากอผักกอผักกอผักงอก็ยิ่งเห็นนี่ท่านตรงนี้ท่านอยู่อย่านยังไหท่นอยู่ได้ไหมัมนยิง่งเป็นประโยชน์แกมันรู้อีกอย่งอย่างเทศอย่างอย่างดีให้ให้พระทีส่สุธรมเนรเห็นด้วยเราอกไม่ได้ ยคนหนุมากมากอย่างเราเป็นล so ูกวัดนี่นะคออโมบจิตตอนนี้ทำาทำสงคามมัจะเป็นไเมื่อมาเดินเดราไปอยู่ไอ้จริงที่มันถูกต้องเราก็พูดไอ้จริงที่เราต้องพูเนดเราก็เก็บมือนเดิหลังนั้นก็ยอมมันมาที่เมื่อาจะทิ้งเิ้งเดี๋ยก็ิคอยแล้วไป็นมันไหไปกินนาะ อันนี้มันจะเอาอยนะครับเอาไปวัตถุดิบที่ม้นเส้เกี่ยวกาที่ม้วนเส้นก็ยุ่งเท่า น, นั้นแหละจะมันจะมายุ่มมองอ่ะเพราะเราปล่อยไฟทิ้งจยุ่งทำไ ม, ม น, นี้เราไะยุ่งะัมันยุ่งอาหารยุ่งกับเราคิดกันอย่างนี้ผมว่ามันสบายปัญญาเราน้อยปัญญาเราไปถึงเท่านั้นถ้าพูดกันจริงๆนะถ้าเราควบประพฤฏิบันเนดะ ถ้าผมจะไปให้ผมอยู่กับบ้านบ้านเนี่ยนะเจตคตามันสุธิอสุธิปัจจังความบริสุท ธ, ธิ์ไม่บริสุทธิ์เฉพาะตัวไป่ังไปแต่ไหนจะทถ้ามารทึกทางที่จำเป็นมาแล้วจะต้องทำอย่างนั้นในเวลานี้เราพระพุทธ เ, เจ้าตัดตัดใอยู่ในที่สงบตัตงสหาอยู่ที่สงุเท่าที่เราหา ถ้าหากว่าหาไม่ได้เรารู้จากความสงบอที่นี่ก็อยู่นะเมื่อเราจะต้องอยู่ก็ให้มันสงบอยู่ใยญ่มันเป็นปัญหาี่ไปยันเป็นตัญหาอยู่ยัยเป็นให้รู้เรื่องตรงนั้นแต่สภาวะความเป็นอยู่ออของพระนี่ในเดือที่สงกบางทีหาที่สงบไม่ได้ท่านนะีนเรียกว่าเป็นบ้าเลยนี้มันอ่าไปไหนอยู่เนี่ยอยู่วันนี้อยู่ อยู่นะท่าน ด, ดูการดูเวลาอย่างนี้แปลว่าปกติของท่านไม่เปลี่นผ่านตัวไปแต่อยู่ในที่สงบก็จริงอยู่ในเมืองที่สงบไม่ได้เราจะมีเวลาอยู่นี่สักเดือนอย่งนึงสิบห้าวันนี่เราจะทำไงใจขาดตายเลยให้เรารู้เรื่องอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ยังไมไปอีกก็อย่างเนี้ต้องไปเรื่อย เดียวก็เป็นข่ายมันเดิยมากันเดียวก็เป็นจิตญาข่ายมันเลยดิอ่ะเด็ก็อาวนนี่นไอความป็นจริงนั่นน่ะการประคิดปฏิบัติให้มีความเห็นอถูกต้องให้เกิดสัมมาทิฏทินะที่สมดุดนะแว่เราหา เราหาเราพยายามหานี่ม็ยากใช่ไหนหน่อยหนึ่งปักปัญญาไม่มากวางใจไม่พอยหรือวันไงนองดีก็ได้เนื้อเบือจะลงเน่อันนี้ก็ไม่แน่ถ้าผมขอน้น้ำเนี่ยไป้วเบือ่อ น, นี่ก็ไม่แน่ถ้าผมในใจผมหักไม่ไปจะลงเบือ่อเนี่ยไม่แน่ กูจะไปเดี๋ยวนีเดี๋ดิใช่ไหมอืมกูไปทดลรงดีย้วอยอย่างเนี้ยมันมีจุดหมายปลาทางอันนี้ก็ไปแน่อีกอต้องภาวนาอย่างมีทันมันนะอันนมันจะไปทุรองก่อนแน่มันจะอยู่ก็นแน่คิดถึงนั้นเอาจะกิมันจะสิคันี่ไปดูอยูก็ภานาเลยครับ เขาพูดง่ายๆฟังดูจากทีเดียนะมันยงไงมันเป็นยังงั้นจริงมันกเห็นความจริงของมันเท่า น, นั้นเนี่ความจริงมันได้ทาไหนมันมูกล้ อ, องมันเดี๋ยวมันไปได้ดูได้ดูไไปให้ดีดนใจหวไหให้นั่งมใจหเดินไปไหนคนจะปเดินไปให้มันเหนื่อยมันเต็มกี่คน แต่งงนะก่อนเห็นภูเขาแต่ก่อนผมสมบายดีเเกิน่านี้เนี่ยเห็นภูเขาโอ้หอยกลับนะหอยกลัเห็นภูเขาสบายนึยวกว่าจะอยู่ภูเขาตลอดชีวิตเนี่ย ที่ท่านจัดว่าให้ให้ให้ดูปัจจุบันเนี่ยคนไม่ไดาปัจจุบันใม้ดูจากปัจจุบันไม่ไ้ความปจริงคำพูดกัรพูดไปถูกจะเราคิดยังไงถูกความเห็ยังไงถูกต้ อ, องสบายไปลองดูกันได้ ไปดีด้วยอย่งนั้ตายไปโดยงงเนี่ยผมก็ไม่อยากจะหา้ามผมกม็อยากจะริยายฟังออกมาฟังผมไม่อยากจะหา้ามไม่อยากจะริยายแกพูดอะไรัง ใจว่าไปตุรงเนี่ยให้มันมีใอ้มันมีประโยชน์อย่าไปเที่ยวเล่นจังหว่าทุกวันเนี้คนนี้มันไปเที่ยวเล่นแต่จะมาเป็นประโยชน์นะไปกลายเป็นตุรงอยู่กับเป็นตุรงนี่มั น, น, มนการไปเที่ยวเล่นเป็นตุรงใช่โกหกเกี่ยวองเลย เมมันมีประโยชน์เนะี่ยอย่ารู้จุดเองมันมีประโยชน์เราต้องหมายแลาเราไปดูเาไปเพื่อนไปอะไรก็ไปเหรอมขอให้จังหวะมั น, มนไปที่มีประโยชน์นะนเนี่ยมันทคบิคยอะเวนาราถ้าไปดูงบประมาแลนะตักว่าไา แค่เมื่อไปจริงๆเดี๋ยวคุ้มก็ไม่ได้สามสิงไปจีิงแทบบี่ไหนแปลว่าจะไปแค่ทาเก็ต้องพูดกันก็อยู่เขาเหมือนนี้นี่สมัยก่อนตอนสร้างมาตึงอย่มานู่นสร้างเมตบามานก็ทำเขาดูนี่ไปบางกันขับไปขันไปขันถ้าเราคิดเมตันนีแ้วนะ ย่อไปเห็นไหมน้ำาตรประมนอะไรนี่เนี่ยย้อนคบิถาวรกลางนีไมขันเดียกระทั่งความเทียนมากดีกว่าถ้าเราทําใหนมันตูนะนอกจากเราขันเรานอนกันทุกคนตัวประตูหัวใจนี่ไปบิมาวย้อนคบิาวรตอนชาติตงข้ามเขาหรุอแบว่าอุตส่าห์กลับมาบางวันขันขันจังขนกลางเขามันจะไม่เป็นที่ เมืถิ้นมาเดี๋ยวนี้นะย่ยเขาิโกจะไปสำไมเอาเราหาบ้านสวายสวายกันนานนี่มันลางมันล่ อ, อนเนยการแช่มาไปรเรียวเป็นบายความ็นเด็กไมยฉันเป็นสักก่อนจะได้ทำจิตใจ ด, ดีกว่าเราฉันเฉยแตัท่านลดยังไงมาจากเดิกสบายเนี่ยข้ามเขาแลโคนนีงเขาติดไปอย่างนห้มันพ้อผู้นีน่แบงมีกแบทุก แต่ถ้ามีประโยชน์ถ้าไปคือกดประโยชน์คมาให้โทษคนอยู่ให้โทษคนไปให้เชิญเชิคนอยู่เชิญเิคนไปอันจะเสื่อที่มีความเห็นถูกกล้อง่อยู่ก็เป็นภาวนาไปก็เป็นไปก็ไปถูกเพื่อนหมู่ไรกักันหู่น้าเพื่อนสาาพ่อนหมด่ยเหมือนฟยู่นว่า ตาที่เราตอมเห็นมาเนี่ยเจ้ายังไงกี้จะทำไงต่อไปอีกนก <laughs> จะจะทปฏิบัติเอ่อนี่ก็าจะทำรออารมณ์ธรมร า, าติที่ท<ม>ุออกที่เราพึ่งได้เดินผู้ตกับคนแปล นันรียมให้เจสนก่อนนว่าเรควรใตรยใเรากนฮะเจสันรีกันะวันนี u ไม่ต้องวันนีต้องว่องวันน่องมันนนนีนนีอว่ตงวม่ต้ไมนนวังวม่ตวันนั่งวม่ต้อมันนีไม้อังวันี้ไมมี้ันนี้ไันนี้ไม่ต้องวันงวั งานแดดมันดีไม่เที่ยงไม่ที่งไม่แนไม่เน่บอกมันเลยไม่แน่ทาไป่ไใจทั้งหมดอารมณ์มาไม่แน่ทำนั้นไปในใจเลยทำมันไปกคิดไม่สงบไม่เน่เหมือนกิดนี้มันสงบแล้วไม่แน่เหมือนกันทำไม่แน่ไปตรงเล่นก็มันจะเกิดอ่ะอืมไม่ามันปล่อยมันไงไม่เอามันมันสงบก็อย่าไปคิดมัน๋ย่ไปเอาจริงเอาจางกับมันมันไม่สงบ ก็ยาวจริงอะยังกับมันวิญญาณงานางนี้ดังอ่านไหมวิญญาณก็ไม่เที่ยงเคย อ, อ่านไหมจะไปทํายังไงนะวันน่ะจะงงมากกว่าไม่เที่ยงไม่จะงงมากกว่าไม่เที่ยงเราจะมีความเห็นอย่างไงต่อไปถ้าเรามีความรู้อยู่อย่างนี้นะ้งกว่านี้ ไม่สงบก็ไม่แน่เราจะอยู่อย่างไรห่าคิดเราคิดอย่างนี้ถ้าเรามีถ้าเรามีความรู้อยู่อย่างนี้ยความสงบมาก็รู้ว่าอันนี้มันไม่แน่ไม่สงบมากความรู้น่ลมันไม่แน่ความรู้จึงเราจะอยู่อย่างไรตรงนั้นรู้ไหมฮ <laughs> ือเดิน ดูตรงนั่นสิมันสงบปกวีวันที่วันั่งมันไม่สงบไม่แน่งื้มันคงดีจต่ไม่น่หินนามันจะอยู่ตรงไหนไล่มันตีไล่กินข้าไปดูตรงนี้นะมันต้องไปอื่นนิดเดียวสงบกันอ่ะบรารมีาโกโตโกะสง บ, บานาปาสิติโกะงบก็ไปยึดไปสงบสินี่ยแล้ว่า โ, โกโตโกตรง น, นี้เนี่ย อามันไม่แน่มันไม่เรีมานั้นเน่ยมันสงบก็ไม่เรียนกับมันเน่ะมันหลอกลวงนี่ในความหมายมันเท่านั้นเนี่ยแล้วต้องฉลาดก็มันจะนิดจริงจริงมันสงบเออมีใจแรเนี่มันสงบดูมาเนีจะสู้กันแน่แนมันสงบรู้ว่ามันสงบปัาไม่แน่มันไม่สงบะ บูมันนัมันสงบนั่นหนิคนเป็นเนี่ยถ้าเรามีความรู้สึกมันจะยุบลงเดียวนั้นเ น, นี่ยเราทวงมันว่ามันไม่สงบเป็นนั่นหนิมันก็เป็เนี่ยยุบลงเดียวนั้นทีเดียวแหละเอียงน่ะเรือตงเอียงเลยที่นั่นเนะี่ยลองทีบนเงดูรองทีลองไม่ทันมันนะ่ะงั้นเราจะเอาอย่างนั้นอไม่แน่อยุบ <c oughs> เลยนะอลองลองดูสิ ทวงมันเข้าไปจินี่ไปทว in งม uh huh. ันเลยคลัมันไปมันิไปคลัมมันไป้วยงนันไม่ทุมไสมันเข้าไปเด้อยังไงมันดุเองมึงเองมาพดเก็ียดไอตัวนูล้องพ่อในเพจเก็ีย์เรื่องไม่แน่ทางนั้นแหละเรียกว่าเบื่อในรูปนี้เนาะไปตั้งเกลียดน้องพ่อกนเพจเรื่องไม่แน่ทางนั้นเนีเบื่อแล้วก็ไป ไปหายมาแน่รูดิเออแล้วก็กลับมาอีกแล้วลองที่ลองลองลองลอ ง, ลองจำไปในใจที่คำผมพูดไปเรยไปถ้าไม่เห็นอย่างผมว่านี่ไม่สงบเลยไม่สบายม่ยมีที่อยู่อ่ะอืมดีทำสมาีิให้มากกันผมกว่าห็นด้วยมอืม เจตัววิมุตต์ปัญญาวิมุตต์ดูไหมคําบูดดูไหม <S <S หเจตัววิมุตต์ปัญญาวิมุตต์วิมุตต์แปลว่าการดุดพ้นจากอาสวะมีสองอย่างเจตัวอำนาจของจิตมากที่สุดคือเรื่องสมาธิมากจึงทาปัญญาเกิดได้ ปัญญาวีมุตําสวมาธิพอเป็นรากฐานเหมือนต้นไม้ในในเนี่ยเห็นไหมเนี่ยบางสายบางบางสิ่งเอาน้ําใส่บานขึ้นมาะบางต้นเอาน้ําใส่ตายต้องใสน้อยๆคนี้คนนี้เห็นไหมเนี่ยชนสนน่ะสนสัตว์น่ยอย่าเอาน้ําใส่มากตายนลยเนี่ยใส่แต่น้อยใส่น้อยใส่น้อยเนีไม่รู้มันเนี่ย นี่ๆใอามาใช้คนไหนมาต้อง้เมื่อนี้เพิ่มกิจารอีกคนนน่เป็นว่นั่นแห่งปัญญามันเกิดเมื่อไนั่นเองเมื่คืนมึงดูมันกินน้ามันจะใส่อะไรอยู่แห่งนี้มันเป็นอย่างไบมันอย่างใหญ่ันโตกันขนาดกันไหนบางตัมันต้องเอาหน้ามันกินได้หลายเนี่มันจะไปอย่างนี้อันนี้นามันจะตาย อีกอย่างหนึ่งเขาปลูกแฝนมาแหวนห้ามันยอดมากินลมมันน่าสิตายครับแต่ในใหม่ทมาาดแล้วมาแหงมันมันกินลมกนะัดนั้นมันโตกันดไหนนี่ครับกระดิ่นจะงอนยังไม่สิใบติอยอดกับตีกระ่บนีหน้าไหนกับหน้าบุ้งนี่นี่ก็มันกันธรรมชาติมนะันเกจตัววีมุดวีมุตแปลว่าการบูดพ้น จงทากําลังใจให้เข้มแข็งมีสมาธิมากๆอย่างหนึ่งก็เหมือนการอะเนี่ยต้นไม้บางอย่างต้องให้กินน้ำมากๆอ่ามันจะเจริญขึ้นเนี่อันนี้ไม่ต้องกินน้ามากมให้กินน้ามากตาย <c oughs> ให้กินน้ำในน้อยเพราะมันเป็นอย่างนั้นมันจะเจริญเึินเพราะมันใด้ฉะนั้นแต่ก็ตระเตรียตัววีมุตปัญญาลีมุตรีมุตการหลุดพ้น ในการที่จิตวุฒิ้นต้องใช้ปัญญาอย่ากำลังจิตกำลัจิตจิตกับปัญญาต่างกันไหมจิตกับปัญญาต่างกันไหมอทําไมถึงแยกกันเ่ะทําไมถึงเกิดแยกไปเจตัวบิมุดปัญญาบิมุดเป็นคําพูดฮอ<ะ>คําพูดเป็นคําพูดนั่ น, น, น, นแหละใช่ไหมอย่างนั้นเราก็ไปหาแยกเราเป็นบ้าตท่นั้นแหละ แต่ว่ามันมันมันเอียงกันนิดหน่อยแต่ว่าาจะว่าอันเดียวกันก็ไม่ใช่คนในอันก็ไม่ใช่ผมจะตอบนี่ถูกไหมผมจะตอบว่าอันเดียวกันก็ไม่ใช่คนในอย่างก็ไม่ใช่อย่างเดียวก็ไม่ใช่คนในอย่างก็ไม่ใช่ผมจะตอบอย่างนี้เอาไปตี ไม่ไอความเท่าเทันมนะวันหนึ่งผมไปพักอยูพที่อัน น, นัไปอยู่ที่วัดล่างครลุม่มใหญ่มาไขเงื่อนวันลางเขาไม่ไหมกยุ่มใหญ่ชั้นยกเป็นพั้บริษนะัอทอหญ่แทนะวันมาเป็นกลมมุสมสูงกลุนะ่มให่กลุ่มตัวมีคนหนึ่งมาขอเวรไปจะตา ม, มาขอเพราะแบดไข่เห็นเงื่อนวานนาเน้าไปปักกดยวตัวของม ขอคามระมัดระวให้มันกระติกโบราณคนเขาพูดว่าให้มันกระติกบายพระหลงนิโรธผูจักนิโรโยมธรรมะมาพักยมวันนี้ไม่ใช uh> ่ธรรมาเป็นที่อวามนี่ที่โยมมาขอหนี้เาย็นใจเรื่อวมาธรรมาไม่ห้ามและไม่อนุญาตอันานั้นแนีกแต่โยมโอ้โหเอว เออข้ามต่อไเขาฟังหนึ่งก็ดีเวแม่ดุย่านใช่ไหมคระต่อบทมดภาระเลเมื่อพูดึ้นมาแล้วมีประโยชนความพูดมีประยชน์ราดึดึงดึดึมันทันเนาัไ้ป็อย่างดีเาะตัวนี่จริคนมันพูดแปลกจริคนพูดจะดีคืออะไรจะดดคืออะไรจะดีออจะดีเออจะดีดรู้ว่า จิตก่อนี่จะิตก่อนี่ปัญญาก่อนอะจะทำยังไห น, นี่ดูดีล่ะอืมอืาตราคะจดิตโทสะจดิตโมหะจดิตพุทธะจดิตจดิตนึ่นมือคือไอ้ไอ้จิตใจที่จะไปแอบแฝงในแ้่ภาวะในนิมมากะภูเขาราคะโทสะ แั้ก็เป็นภาษาคำพูดทั้งนั้นทุกอย่างแต่มันแยกกันไปได้หกภาษาเลยนะเนี่จยจะวิ่งวิ่งตามมันเนีเจะพอระมัดมีวนนิ่งมันนาตีอะไรเนี่ยมีหลายคนเนี่ยไอยู่องค์เดียวผมนี่ไม่ว่าเนาะอยู่องค์เดียวไปอยู่เถอะอยู่หลายคนไปอยู่เถอะไม่ผิดยนาะถ้ามีทิดเนี่ย อยู่องเดียวน่ะคิดผิดทุกคนไปเปิดไปอยู่เลยแต่ว่าลักณะที่อยู่อยู่ผู้ปฏิบัตินี่คะเป็นนักษณะที่ให้อยู่ที่สุลังนับนันนี้แต่ว่าในเมื่อว่าเราได้ที่สุลังนับเจ็นนันไม่มีมันก็ตายหัร้อนตายอยาหาทางอะไรมันมาก